บัตรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเวทนานุปัสนาสติปฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูเวทนาที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปฐานนสูตรนั้นเป็นการกำหนดระลึกรู้เวทนาในขั้นละเอียด ประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเวทนาเหล่านั้นซึ่งในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วสติสัมปชัญญะและความเพียรจะต้องมีกำลังแก่กล้ามากพอจึงอาจจะแยกแยะได้ในลักษณะนั้นต้นนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆพระพุ้มีพระภาคเจ้า ยึงทรงแสดงหลักการปฏิบัติไว้หลายวิธีด้วยกันเพื่อเป็นการเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะและความเพียรให้สูงขึ้นจนอยู่ในวิสัยที่กำหนดระลึกรู้และแยกแยะได้ตามนะยะที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานนสุกอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ฆานนาคสุด ทรงสอนให้มองเวทนาในรูปรวมๆเป็นสามชั้นด้วยกันคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกข์กามสุขเวทนาคือความสวยอารมณ์ที่ใจกําหนดว่าเป็นความสุขความสวยอารมณ์ที่ใจกําหนดว่าเป็นความทุกข์และความเสวยอารมณ์ที่รู้สึกเป็นกลางๆคือไม่เชิงทุกข์ไม่เชิงสุข โดยทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดระลึกว่าแ้าที่จริงแล้วเวทนานั้นกกจะเกิดขึ้นได้แต่ละครั้งก็เพียงเวทนาใดเวทนาหนึ่งเท่านั้นเองในชั้นของการปฏิบัติเวทนาใดปรากฏขึ้นในขณะนั้นก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่เวทนานั้นนั้น โดยไม่ต้องไปแยกว่ามีอะไรเจือหรือไม่มีอะไรเจือแต่ดูเฉพาะตัวเวทนาเป็นตัวเดียวซึ่งแน่นอนการมองในลักษณะรวมๆเช่นนั้นก็จะเป็นความสุขความทุกข์หรือกลางๆตามลักษณะของเวทนาและตามการกำหนดของจิตแห่งบุคคลที่สวยเวทนานั้นๆ น, นอยู่ในยามใดที่สุขเวทนาเกิดขึ้น ทุกขเวทนาก็ไม่ปรากฏในขณะนั้นนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติก็ตั้งสติระลึกอยู่เฉพาะสุขเวทนาพอทุกขเวทนาปรากฏขึ้นสุขและไม่ทุกข์ไม่สุขก็จะไม่ปรากฏในการปฏิบัติก็ตั้งสติระลึกอยู่ที่เฉพาะทุกขเวทนาซึ่งปรากฏพออทุกขมสุขเวทนาปรากฏสุขกับทุกข์ก็ไม่ปรากฏ ก็ตั้งสติระลึกอยู่เฉพาะที่อทุกขกรรมสุขเวทนาคือเวทนาที่เป็นกลางกางเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติสงบอยู่กับเวทนาจนกำลังปัญญาแก่กล้ามากพอที่จะพิจารณาได้ก็ทรงสอนให้พิจารณาว่าเวทนาทั้งสามลักษณะนั้น แต้ที่จริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะมีความแปรไปมีความเปลี่ยนแปลงไปมีความคลายไปมีความดับไปทุกๆเวทนาซึ่งในชั้นการกำหนดระลึกรู้ระดับนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้กำลังของสติปัญญาและความเพียรสงขึ้น เนื่องจากจะต้องมองเห็นถึงความไม่เที่ยงความประกอบด้วยเหตุปัจจัยของเวทนา น, นั้นด้วยในกรณีของความไม่เที่ยงก็ตั้งสติะระลึกรู้รอยู่และปัญญาก็พิจารณาตามไปก็จะมองเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่เวทนานเหล่านั้นและเมื่อมองเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เกิดเวทนาก็มองดูที่ตัวปัใจจัยให้เกิดเวทนาว่าจะเป็นเวทนาอะไรก็ตามก็เพ่งมองไปที่ตัวปัจจัยซึ่งให้เกิดเวทนานั้นๆแล้วก็มองที่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหล่านั้นจนถึงก็ความคลายไปความดับไปก็หมดไปชุดหนึ่งเวทนาก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งจะเป็นเวทนาอะไรก็ตาม ก็มองกันไปในลักษณะนั้นเมื่อมีการนะลึกรู้มีการพิจารณาโดยนยะเส่นนี้จิตที่เคยยึดติดในเวทนาว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราเป็นต้นก็จะผ่อนคลายลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะมารู้ถึงความเป็นจริงในเวทนาว่า แท้ที่จริงแล้วเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่อิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเวทนาสามารถมีอำนาจอิทธิพลครอบงำจิตใ จ, จของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลไปกำหนดหมายไปยึดไปจิตและปักใจฝังใจลงไปในเวทนาเหล่านั้นตามลักษณะของเวทนาและตามลักษณะของใจที่ไปกำหนดเวทนาพระแท้ที่จริงสุขทุกข์และอทุกขกมสุขนั้น ในส่วนของเวทนาเองแกก็เป็นกลางๆของแกแกจะเกิดมีอิทธิพลครอบงาใจของบุคคลจนรู้สึกว่าเรากำลังเสวยสุขหรือเรากาลังเสวยทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กระจายที่ไปกำหนดเท่านั้นเองแต่ในที่สุดไอความปักใจฝังใจในเวทนาก็จะผ่อนคลายลงความยึดติดว่าเวทนาเป็นของเราเป็นเรา เป็นตัวเป็นตนของเราจึงเคยมีอยู่ก็จะคลายลมลักษณะคอยคว้าทางอารมณ์เพ้อฝันทางเวทนาในอดีตและมุ่งหวังปรารถนาจะประสบเวทนาที่ตนต้องการในอนาคตก็จะคลายตามไปด้วยยังทรงแสดงผลสรุปในตอนสุดท้ายว่าเมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ จะเกิดความเบื่อหน่ายจะอมคลายความกำหนัดในเวทนาเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็เกิดญาณปรากฏขึ้นภายในใจเพราะจิตของตนหลุดพ้นจากการกำหนดเวทนาในลักษณะต่างๆและจะรู้สืบต่อไปถึงจุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัต ชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีข้อนี้จะพบว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมองในแง่รวบแง่สรุปก็สรุปเป็นรูปนามหรือนามารูปเท่านั้นเองการเรียนรู้การแสวงหาความเข้าใจจึงเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งของนามารูปก็ได้ หรือเมื่อเข้าใจในจุดนั้นได้แล้วก็จะเข้าใจในจุดอื่นตามไปด้วยในขณะเดียวกันการจะเดินมาถึงจุดนี้สติสัมปชัญญะและความเขียนจะต้องอยู่ในระดับที่ใช้งานได้เพราะเวทนาเกิดดับได้เร็วโดยเฉพาะการมองในแง่ของเหตุปัจจัยนั้นแยกได้ยากกำหนดได้ยากบางทีกำหนดไม่ทันเวทนาแก่เปลี่ยนไปเป็นเวทนาอื่นแล้ว ต้นนั้นในชั้นของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งตัวซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่สำคัญมากช่วยให้บุคคลสามารถปล่อยวางเวทนาที่บังเกิดขึ้นได้พระบุมีพระภากตรเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะอีกโดยอเนกกระประยายที่ให้บุคคลใช้ระลึกรู้แล้วเกิดประโยชน์ ในการสร้างความสงบให้แก่จิตใจของตนอย่างในกรณีของการประสบกับทุกเวทนาซึ่งมักจะมีปัญหาเป็นพิเศษประสบขเวทนานั้นจะขอให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีบุคคลต้องการให้มีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทุกเวทนานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องการให้พินาตไป ต้องการให้เสื่อมให้คลายให้ดับไปในเวลารวดเร็บางครั้งเวทนาเหล่านั้นไม่เป็นไปาตามที่ตัวต้องการซึ่งแท้ที่จริงก็เป็นลักษณะของเวทนาพระบังคับบัญชาอะไรแก่ไม่ได้มอเหตุปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนายังมีอยู่แต่ใจขืนไปบวชข้ามก็ทุกมากขึ้นแต่ใจผ่อนคลายการบวกการยึดการถือทุกขเวทนาก็จะน้อยลง ซึ่งเหมือนกับเวลาบุคคลมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเสียดแทงกายถ้าแยกกายกับจิตออกไปได้หมอจะผ่าตัดจะดจิตยาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของหมอเรื่องของกายใจก็พลากไปจากอารมณ์ น, นั้นความทุ ก, กขกแ์แม้จะเกิดขึ้นการเสียดแทงแม้จะเกิดขึ้นใจจะเข้าไปบวกน้อยลงทุกเวทนาก็น้อยลงตามไปด้วย อีกชั้นหนึ่งนั้นทรงสอนให้มองในรูปที่ยังมีเวทนาที่หนักกว่านี้แต่ดีที่เราประสบเวทนาขนาดนี้ไม่ประสบเวทนาที่หนักกว่านี้ก็ น, นี้พึงดูตัวอย่างพระบรมพุทธโอวาทที่ทรงแสดงแก่ท่านปุณณะท่านปุณะปณะต้องการจะไปบําเพ็ญเพียรที่เมืองสุนาปรันตะ ในขณะนั้นท่านก็ยังเป็นพระปุตุชนธรรมดาแต่ก็มีหลักยึดเหนีย่ยวทางใจมั่นคงพอที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีหลักคุ้มครองใจได้พระบุมีพระภาครสัสสังว่าบุณนประชาชนในเมืองสุนาปรันตะนั้นดุร้ายมีการกระทามีการประพฤติอะไรที่รุนแรง เธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้นั้นจะอยู่ได้หรือท่านปุณณะยืนยันว่าอยู่ได้พระเจ้าก็ตั้งปัญหาให้ท่านคิดว่าสมมติว่าชาวเมืองสุนาบรันต์กาด่าเธอเธอจะมีความรู้สึกยังไงท่านก็บอกว่าข้าพระองค์จะคิดว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาขว่างด้วยก้อนอิฐก้อนหิน รับสั่งถามว่าถ้าเขาปาด้วยก้อนอีกก้อนถินเธอจะคิดยังไงท่านก็บอกว่าดีกว่าเขาประหารดีกว่าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้ถ้าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้จะทํำยังไงก็คิดว่าดีกว่าเขาประหารด้วยศัตรูถ้าเขาประหารด้วยศัตรูเธอจะทําอย่างไรเธอคิดยังไงท่านก็บอกว่า <Okay>. ก yes. ็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตาย ถ้าก็ฆ่าให้ตายเธอคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองเพราะคนเป็นนั้นมากอยากจะตายเป็นกระบางแต่ไม่อาจตายได้ก็มีคนมาช่วยฆ่าให้มันก็ดีแล้วข้อ น, นี้จะพบว่าลักษณะของเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยลําดับแต่ท่านพุณณะสามารถปรับใจให้ยอมรับได้ คือพร้อมที่จะเสวยเวทนาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นโดยมองเห็นว่ายังมีเวทนาอื่นที่หนักกว่านั้นที่รุนแรงก ว, แาารกว่านั้นแสบเผ็ดสาหัสกว่านั้นท่านไม่ได้ประสบก็ดีไปอย่าง น, นเวลามีความรุนแรงรุนแรงสูงขึ้นก็จะมองเห็นไปที่เวทนาในลักษณะอื่นซึ่งรุนแรงกว่านั้นก็พร้อมที่จะเสวยเวทนาเหล่านั้นได้ โดยไม่ไปเดือดร้อนกับเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆมากเกินไปจิตใจของบุคคลก็จะสงบได้จากตัวอย่างของพระปุณณะเทระที่กล่าวมานี้ทำให้ผู้ปฏิบัติได้แนวในการดำารงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามประสบกับทุกขเวทนานั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครที่จะเสวยทุกขเวทนา ตลอดไปหรือสุขเวทนาตลอดไปหรือกลางๆตลอดไปแต่เวทนาแกจะเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและเป็นการเกิดขึ้นแกบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสามั ญ, ญชนหรือเป็นพระเรียเจ้าเรื่องของเวทนานั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ที่ผิดธรรมดาก็คือว่าใจไปผูกไปรู้ไปติดในเวทนานั้นในลักษณะใดเท่านั้นเอง แต่ถ้ามองกันในลักษณะดังที่กล่าววันนี้เวลายามประสบกับทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มองให้เห็นว่ายังมีเวทนาอื่นที่แรงกว่านี้แต่เรายังไม่ต้องประสบกับเวทนานั้นประสบเพียงขนาดนี้ก็ดีกว่าคนอื่นมากแล้วเวลาประสบกับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอะไรต่างๆก็ต่าง ไม่จะเรื่องทําไมจะต้องเป็นเราแต่เรื่องจะต้องเป็นอย่างนั้นในขณะที่เรากําลังเสวยทุกขเวทนาสาหัสอยู่เนี่ยยังมีคนอื่นอีกเป็นจํานวนมากที่เสวยทุกขเวทนาแรงกว่าเราและมีเวทนาอื่นอีกเป็นนั้นมากที่ไม่ที่รุนแรงกว่าแต่ไม่เกิดขึ้นแกเราในขณะนั้นๆก็จะทําให้ได้หลักในการปลุกปลอบจิตใจ มองในทํานองเทียบเคียงก็ เ, เห็นว่าความรุนแรงต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นยังอยู่ในวิสัยที่จะทนได้เพราะมีคนอื่นที่รุนแรงมากกว่านั้นและมีเวทนาอื่นที่แรงกว่านั้นข้อ น, นี้จะพบว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้น เพราะแกมาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหนาจัดร้อนจัดหิวจัดกระหายจัดทุกเวทนาโรคภยัยไข้เจ็บเสียแทงเป็นต้นแกสารพัดที่จะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแกมากได้เกินเวลาพระพบกันหรือแม้แต่พระเมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสถามเรียกว่าถามประจำถามว่าเป็นไงภิกษุพอทนได้หรือ ซึ่งหมายความว่าชีวิตร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆที่บังเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแต่ถ้ายังทนได้ก็ไปได้หรือในบางครั้งบางคราวที่พระพุทธเจ้าทรงประสบด้วยพระองค์เองก็ทรงสอนให้บุคคลอื่นได้สำเนียกได้ศึกษาโดยนยะเช่นเดียวกัน เช่นคราวเสด็จเมืองกรุง โ, โกสัมพีนางมาคันธยาจ้างคนให้ด่าด้วยอโกสวัตถุสิบประการเป็นเวลาติดต่อกันทุกถนนทุกคนทุกแข่งถึงเจ็ดวันด้วยกันบุคคลที่มีจิตใจอ่อนไหวต่อเวทนาในลักษณะนั้นระย่อมเดือดร้อนเป็นธรรมดาแม้ขนาดพระอานอนท์เถระซึ่งเป็นประยะบุคคลระดับโสดาบัน แต่ท่านก็ถ่ายถอนกรารมราคาปฏิฆายังไม่ได้ก็ยังมีความไม่พอใจยังมีความยินดีในเวทนาต่างๆอยู่ต้องกราบทูลให้พระพุทธเจ้าย้ายไปที่เมืองอื่นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงตั้งปัญหาให้คิดว่าจะย้ายไปเมืองไหนประนรนก็บอกกราบทูลเมืองไปโดยลำดับรับสั่งถามว่าถ้าในเมืองนั้นเขาด่าจะทำยังไง ท่านก็บอกว่าย้ายไปโดยลำดับเช่นเดียวกันทรงสรุปให้พระอนตน์เข้าใจว่าอานตน์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในที่ใดจะต้องไปเชิญหน้ากับปัญหาในที่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นจะต้องสร้างความรู้สึกเหมือนตนเองเป็นช้างศึกที่เข้าสู่สงคราม ซึ่งแน่นอนเหลือเกินพอเข้าสู่สงครามนั้นจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยเท่านั้นเองส่วนเจ็บนั้นต้องเจ็บแน่ต้องทุกข์ทรมานแน่การเกี่ยวข้องกับโลกกับสังคมกับอารมณ์กับสิ่งต่างๆในชีวิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอารมณ์ทั้งน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและส่วนมากแล้วมักจะเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ซึ่งก็ให้เกิดเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าบุคคลไปอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านั้นไปเดือดร้อนไปวิตกกังวลกับเรื่องเหล่านั้นเวทนาก็จะกัดกร่อนจิตใจบางครั้งบางคราวเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรมีบัตรสนเทศใบเดียวมีคําตําหนิตีเจนนิดๆหน่อยๆเท่า น, น, น, นั้นเองก็กลับมาปรุงคิดมาคิดปรุงวิตกกังวลเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆ แต่ถ้ามองในลักษณะดังที่กล่าวแล้วเรือสายหลักของขันติธรรมอย่างที่ทรงสแสดงเอาไว้ใช้ความอดทนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกบันเทาเวเทนาในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาลงไปได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นในชั้นของการปฏิบัติที่เป็นระดับของกรรมฐานจริงๆ ไม่จะคิดแก้เฉพาะตัวทุกขเวทนาอย่างเดียวเพราะแม่สุขเวทนาก็เป็นเช่นเดียวกันทุกขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดทุกเกิดโทมนัตเกิดปฏิฆะซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มปริมาณตันหาประเภทวิภวะตันหาและกิเลสประเภทโทสะให้สูงขึ้นแต่เวทนาที่เป็นสุขเวทนาถ้าเกิดเพลิดเพลินกำหนัดยินดี ก็จะเพิ่มปริมาณกิเลสสายราคาและโลภะขึ้นมาเช่นเดียวกันดังนั้นในชั้นหนึ่งจึงทรงสอนให้บุคคลใช้สติระลึกรู้ทันตเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นเพราะเวทนาก็เป็นโลกธรรมเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากโลกอาจจะอาศัยลาภอาศัยยศอาศัยสรรเสริญอาศัยความสุขก็เกิดเป็นสุขเวทนา แต่ในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งอีกด้านหนึ่งอาศัยลาบอาศัยเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินถาและประสบความทุกข์ก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นทำอย่างไรสติจึงจะเป็นไปทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ น, นคนนี้ได้ทรงแสดงไว้ในโล ก, กธรรมสุดโดยมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทีโลกธรรมทั้งหน้าปรารถนาและไม่หน้าปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายทั้งที่เป็นพระรยะและสามาัญชนจุดที่แตกต่างกันก็คืออยู่ที่ใจอยู่ที่ความระลึกรู้ความเข้าใจถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นของพระรยะกับของสามาัญชนว่าแตกต่างกันสามาัญชนทั่วไปตามปกติแล้ว พระเวทนาที่น่าปรารถนาบาังเกิดขึ้นก็จะมีความชื่นชมโสมนัสยินดีข้อนี้เป็นกิจกรรมที่ปรากฏให้พบเห็นกันในที่ทั่วไปพย า, ายามใดก็ตามที่ได้สวยสุขเวทนาอย่างนั้นบุคคลพยายามที่จะเพิ่มสุขเวทนาขึ้นเพิ่มเพิ่มจนหักโค้งแหกโค้งออกไปเป็นทุกขเวทนาเป็นโสกนาตรกรรม เป็นความสูญเสียอย่างรุนแรงซึ่งปรากฏเป็นข่าวคราวกันในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี่เป็นเพราะอะไรต้องการเพิ่มปริมาณของความสุขที่ตนได้อยู่แล้วให้สูงขึ้นเท่านั้นเองแต่เรื่องของความเพลิดเพลินความกำหนัดยินดีนั้นเป็นเป็นเป็นแรงดันของกิเลส ยามใดที่เป็นแรงดันของกิเลสพอขึ้นสูงมากเท่าไร่สติสัมปชัญญะจะหายไปโดยลำดับแต่ไหนที่สุดพวกนี้จะเข้าครอบครองใจทำให้บุคคลสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแต่พอประสบกับทุกขเวทนาก็จะมีความโทมนัสเสียใจจนเกินพอดีไปอีก พอเกินพอดีไปสติสมัมปชัญญะเป็นต้นก็จะค่อยๆเลือนหายจางหายไปจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือจนถึงกวิปรลัไปให้ลองสังเกตว่าความวิปรลัทางอารมณ์หรือบางทีความดีใจนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งเกินการควบคุมของสติสมัมปชัญญะพร้อมที่จะวิปรลัได้ทั้งสองด้าน นี่เพราะอะไรเพราะใจไม่ระลึกรู้ถึงความจริงแห่งเวทนาเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าด้วยอาศัยการศึกษาการเรียนรู้ที่ทรงใช้คำว่าบุคคลผู้ได้สะดับธรรมของป ร, ริยะาในศึกษาและปฏิบัติธรรมของพ ร, ริยญก็จะเข้าใจรู้เท่าทันต่อเวทนาเหล่านั้น ซึ่งจุดที่เป็นหลักมั่นคงควรแก่การยึดเหนี่ยวเป็นแบบแผนก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นไม่ได้เตรียมใจรับอีกด้านหนึ่งคือเตรียมใจรับรู้ความจริงของเวทนาเหล่านั้นจึงมีการเพลิดเพลินจึงมีความทุกข์โธมันัดวิ่งไปวิ่งมาตามสมควรแก่เวทนาและการกาหนดของจิต แต่ท่านที่รู้เท่าทันต่อเวทนาเพราะเวทนาอะไรก็ตามเกิดขึ้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามสติจะเป็นไปในเวทานานั้นในขณะนั้นทีเดียวว่าเวทนาเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราจนประสบกัขขเวทนาเกิดก็รู้ว่าสุขกับเวทนาเกิดแล้วแก่เราทุกเกิดก็รู้ว่าทุกเวทนาเกิดแล้วแก่เรา อทุกข์กสุขเกิดก็รู้ว่าอาทุกขกรสุ ข, ขเวทนาเกิดขึ้นแล้วแก่เอาแต่เวทนาทั้งสามประเภทนั้นโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเวทนาเกิดก็คือเกิดเวทนาเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงดับก็คือดับแต่มันจะเกิดจะ เปลี่ยนแปลงจะดับไปเฉพาะเวทนาใจของบุคคลจะไม่เพลิดเพลินเมื่อส่วนที่น่าปรารถนาเกิดหรืออย่างน้อยก็ไม่เพลิดเพลินจนเกินดีไปเวลาทุกนาเกิดเวลาทุกเวทนาเกิดก็จะไม่โทมนัสเสียใจจนเกินพอดีไปใจของบุคคลก็จะได้หลักคือไม่อ่อนไหวไปตามแรงของเวทนาเหล่านั้น บางครั้งลักษณะของเวทนาเป็นอาการวิกฤตทางอารมณ์ต่าว่าจิตใจของบุคคลไม่มั่นคงจริงๆก็จะหักเหออกไปในลักษณะที่รุนแรงดังกล่าวดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าในภาวะวิกฤตทางอารมณ์นั้นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหว ไม่อ่อนไหวไปตามเรื่องเดียนั้นคล้ายๆกับว่าเราเข้าไปในถ้ำกลางความมืดถ้าไปตื่นตกใจต่อความมืดซึก่อนแล้วอาจจะเดินไปชนหกล้มหกลุกตัวเขตวตกปบได้แต่ถ้าเราค่อยๆปรับใจให้สงบให้สายตาเคยชินกับความมืด พยายามระดมระดมประสาทสัมผัสสติปัญญาเหตุผลความรู้ความจำนิจํำนานของตนไปใช้ในกรณีดัง น, นั้นก็สามารถฝ่าพันอุปสรรคอันตรายและเดินผ่านความมืดไปได้โดยตัวเองไม่ประสบกับความบีบัติดังนั้นทุกขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานว่าส่วนที่เป็นธรรมถะหรือวิปัสสนาก็ต่าง สติสัมปชัญญะและความเพียร น, นั้นจะต้องมีอยู่เสมอไปยามใดที่ปริมาณของสติสัมปชัญญะและความเพียรสูงขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะสงบมากยิ่งขึ้นความรู้แจ้งเห็นจริงความปล่อยวางความผ่อนคลายการยึดติดในเวทานาก็จะเพิ่มขึ้นตามสมควรแก่การพระพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไป เขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป